พอก่อนนอนมานั่งทําในรูปแบบก็ยังเอาอีกละลงเหมือนเดิมก็เลยช่วงนี้ก็เลยพยายามเลิกเล้แบบไม่นั่นแต่ก็ยังมีนิดเดียวอย่าไปจงใจมันครับส่ก็พยายามปล่อยปล่อยไปจิตเขาจะทําอะไรเรื่องของเขานะเราอย่าไปจงใจคําสบายต้องสบายนะครับภาวนาแล้วถ้าเราเครียดเครียดทาผิดแล้วล่ะ จิตเหมือนเป็นเรือเล็กๆอะค่ะมีคลื่นซัดอยู่เรื่อยๆลอยอยู่ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทีนี้จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรสร้างเหตุอย่างไรถึงจะมีกำลังมากขึ้นอย่างนี้ค่ะคือกำลังจริงๆมี5อันนะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยกำลังมี5อันศรัทธาเนี่ยอาศัยการน้อมการนึกการคิดพิจารณา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 ไปเทียบเทียบเขาเทียบเราขึ้นมานะเนี่ยที่เราสังเกตนะแต่การที่เราได้เห็นครูบาอาจารย์ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีกําลังใจใึ้มัแล้วต้องต้องช่วยพิจารณานะอย่างหลวพ่อกบาังครั้งเหนื่อยเนื่อยขึ้นมาก็พิจารณาศึกษาประวัติครูบาอาจารย์แต่และองค์กว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์นะล้มลุกลลครานมาแล้วทั้งนั้นอนะ่ะลําบากอย่างรู้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 ทำไมท่านเอาดีได้นะเราต้องเอาอย่างท่านใจมันนึกใจมันนึกไ ม, ไม่ทอดท่อยงั้นศรัทธานี่มันก็ต้องเป็นการให้กําลังใจกับตัวเองอะศรัทธาเกิดขึ้นเหมือนก็มีกําลังใจมีกําลังที่จะทําความเพียรงั้นมีศรัทธาก็เลยมีวิริยะขึ้นมามีความเพียรถ้าหมดศรัทธาก็หมดเรื่องหมดแรงไปเลย ท, ท้อแท้ทอดอะไรโอ้เราวาสนาน้อย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 กิเลสของเราเองกาสู้กับความหลงผิดของเราเองไม่ได้สู้คนอื่นหรอกกรรมาฐานเนี่ยเอาชนะตัวเองนี่ยากที่สุดเลยชนะคนอื่นได้ไม่อัศจรรย์นะชนะกิเลส ช, ชนะใจตนเองได้นี่อัศจรรย์ที่สุดเลยชนะคนอื่นนก่อเวรชนะกิเลสตัณหาของตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์จริงๆต้องภาคเพียร น, นะอดทน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 หลวงพ่อเคยท้อจริงๆครั้งเดียวแต่มาอยู่สวนโพบบวชแล้วนะลวมีคารวะาไม่เคยท้อเลยเพราะว่าไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรเมื่ อ, อไรไม่คาดหวังแล้วง่ายพอบวชนี่นะลุกลีลุกลนแนละบวชแล้วต้องลุยแล้วต้องลุยล้มาบวชได้เมื่อแก่นะสั้สี่สิบปดกว่าพ่อกว่าแม่จะพร้อมแม่พร้อมคือแม่ตายไปพ่อพร้อมคือพ่อยอมมาอยู่วัดด้วย ก็จะได้บวชอายุเยอะลุกลี้ลุกลนในการภาวนาภาวนาไปโอ้เหนื่อยใช้สติใช้ปัญญาสังเกตเอาเฮ้ยนี่เรารีบร้อนเกินไปแล้วใจเย็นๆมานั่งดูไปสังเกตแต่ละวันค่อยรู้ค่อยดูจิตใจไปสบายๆมองวันใจก็วางวางความยึดถือใจลงไปรู้ตัวไปโอ้สบายจะ น, นิพพานแล้นิพพานอยู่นี่เองนะหลายๆวันเสื่อมได้อีกนะี จเจเลอร์แล้วเสื่อมจเจเลอแล้วเสื่อมอยู่ตรงเนี้เราสังเกตดูแต่และแง่แต่และมุมที่จิตมันดําเนินไปล้วนแต่เป็นอริยสัจ ท, ทั้งหมดเลยจิตค้นคว่าแต่เรื่องอริอรยสัจแต่ไม่รู้ตัวนะว่าเป็นเรื่องอริยสัจพอค้นกว่าอริยสัจไปมุมนี้นะหลุดออกมาสบายแล้วสบายแล้ ว, ลว ห, หลายวันเสื่อมลงมาอีกจิตมันค้นกว่าอีกค้นกว้าอ่ะเข้าใจอริยสัจอีกมุมหนึ่งแล้วสบายอีกแล้วเสร็จแล้วก็เสื่อม ถึงจุดหนึ่งนะท้อใจเลยโอ้จนปัญญาแล้วนะหมดสติหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงเราไม่รู้จะไปยังไงแล้วนะถึงทางตันครูบาอาจารย์ก็ไม่มีช่วยตัวเองไม่รู้จะช่วยยังไงจนปัญญาท้อใจเออชาตินี้คงได้แค่นี้ละชาตินี้ไปไม่รอดได้แค่นี้ใจมันถอดถอดใจเลยถอดใจแล้ ว, ลวก็เออ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 โอ้มันคุ้มกับการที่เราเหนื่อยยากมาแสนสาหัสนะเหนื่อยยากหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนเราลําบากมานานโอ้โทุรักทุเลลําบากใจต้องถึงจริงๆนะเราต้องสะสมกําลังจิตกําลังใจของเราที่เรียกว่าบารมีแต่ละอันต่ละอนสะสมการจะออกจากภพจากชาติไม่ใช่เรื่องง่าย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 ย่งความโลภเกิดขึ้นเราเป็นอนมนุษย์ชนิดเปรตเนะจ้าทิฏฐิเจ้ามานะเราก็เป็นอนมนุษย์ชนิดอสุรกายนะชอบหลงชอบเผลอก็เป็นอนมนุษย์ชนิดเดรัจฉานะถูกความทุกข์ถูกความโกรธแผดเผาอยู่เป็นอนมนุษย์นรกเป็นมนุษย์นรกเรียกมนุษย์นิราโยหรือเพลิดเพลินกับบุญไปเป็นมนุษย์สเทว บางคนภาวนาน้อมใจเข้าสู่ความนิ่งความว่างทำสมถะแนบนิ่งลงไปเรื่อยนิ่งน้อมใจไปสู่พลมโลกดูสิทิ้งความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงนะไปเอาฟูมอื่นๆซึ่งใจต่ำกว่ า, างั้นใจมนุษย์เนะียเป็นใจที่พร้อมกับธรรมะมากที่สุดแล้วเพราะเรามีบุญวาสนานะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เหมืออกันได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกเป็นของยาก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 พวกที่ปฏิบัติแล้วถูกหลักถูกเกณฑ์เข้าถึงมากกว่นี้พันนับตัวได้แล้วจากคนหลายพันล้านนะบีบบีบลงมานะเหลือหลักสิบเหลือหลักร้อยนะพวกเราได้บีบตัวเองเข้ามาถึงจุดที่ใกล้กับเป้าหมายแล้วนะพวกเรามีศรัทธาพวกเรามีความตั้งอกตั้งใจศึกษาธรรมะพวกเราลงมือดูจิตดูใจตัวเอง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 ไม่ต้องอ้อนวอนให้วางนะวางเองมันเหมือนแต่เดิมไปหยิบอะไรมาสักอันแล้วกำไม่นะไม่รู้ว่าคืออะไรอนะันหนึ่งแงมงงงงดูพี่หยิบเอากิ้งกือมาเนี่ยเขามีสองพวกนะพวกหนึ่งเอาไปใส่หม้อเลยห ม, ม้อแกงก็กินได้หนูพ่อยกไม่ใหญ่ไม่ดีอ่ะสมมติหยิบเอาขี้หมาขึ้นมามดูว่ามันขี้หมานะาวางกิ้งกือไม่ได้เดี๋ยวบางคนชอบคงไม่มีใครขืนก็กินขี้หมานะก็าวาง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 ดูออกไหมทำงานทั้งวันทั้งคืนบังคับเยอะไปหน่อยนึงนะลดลงนิดนึงภาวนาก็เป็นศิลปะนะรู้หลักที่หลวงพ่อสอนแล้วแต่ไปก็มีศิลปะรู้าศาสตร์แล้วก็ต้องรู้ศิลศิลปะก็คือมีโยนิโสสังเกตใจตัวเองโยนิโสมานาสิกานะช่วงนี้อะไรหย่อนไปช่วงนี้อะไรตึงไปสังเกตเอานะเพ่งมากไปลดลงคลายลงตั้งใจมากไปคลายออกไป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 เดินเดินเดินเดินทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อไปเอาอย่างท่านนะเป๋เลยไม่ได้เรื่องเลยเละเทะเลยภาวนามไม่เป็นเลยนะเราถนัดนั่งเราก็นั่งสิเราถนัดยังไงเราก็เอาอย่างนั้นแต่ถนัดนอนต้องนั่งนะยกเว้นไม่ข้อหนึ่งเถอนะมีเหมือนกันที่นอนแล้วได้ผลแต่ว่าตามสถิติมีน้อยมากสถิติมีน้อยในยุคสมัยเรานี่เคยได้ยินอยู่องเดียวเอง ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่ศรีสะเกตนั่นชอบนอนฉันเสร็จแล้วก็ปิดประตูตนอนทั้งวันเล <c oughs> ยนะเย็นๆออกมากวาดบ้ากลับไปนอนอีกแล้วนอนอยู่งั้นนอน <c oughs> คนถามทำไมท่านภาวนานอนถ้าหบอกเวลาตายมันต้องนอนนี่ <c oughs> ซ้อมของท่านอยู่ทุกวันภาวนาเก่ง <c oughs> อย่างพระอนุนพระอน น, อนนอนยุคเราก็มีพระองค์หนึ่ง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 หันกระดึบกระดึบกระดึบหันไปดูพักพวกเหมือนเราขึ้นมาอยู่บนภูเขายอดเขานะหันไปดูเหมือนทากอยู่ก้นเหวเงี้ยเรียกเขขึ้นมาเหอะขึ้นมาเหอะ <c oughs> มันก็ขึ้นเหมือนกันเหมันขึ้นขึ้ น, นลงลงส่วนบ้างขยันอยู่พักเดียวแล้วก็เลิกขยันอยู่พากเดียวแล้วก็เลิกไม่เอาจิงอ่ะเมื่อแต่เดินวกไปวกมาให้มันเด็ดเดียวเข้ามาหลวงพ่อได้เรียกร้องแต่เรื่องอดทนใช่ไหม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 บทสวดขานนาคอ่ะก็ะต้องยาวนยะต้องอดทนมากเลยในการฝึกสวดบัลวักซ้อมล่วงหน้าเป็นปีเลยบัลวักเดียวได้สองสามวันเอาอีกละหายไปอีกละมาเริ่มต้นอีกนะซ้อมทุกวันทุกวันจนแม่นเปรีย้ยเลยนะเวลาใช้งานจริงนี่แม่นเปรีย้ยเลย คือนั่งคุกเข่าไม่ได้นะซ้อมนั่งคุกเข่าเอาแล้ววันนี้ได้45สบหนาทีภูมิใจในตัวเองนั่งได้45หวินาทีไม่ใช่วินาทีภูมิใจพรุ่งนี้พยายามนั่งได้ให้สักห้าสิบอะไรเงี้ยขยบขยบข ย, บ, ขยบอย่างนี้นะอดทนมากเลยมันเป็นนิสัยที่อดทนนั่นแหละตอนเล่นกระ บ, บีก่กระบองคนอื่นเขาลำไปตั้งหลาย1ิบท่าแล้วห พ, พ่อฝึกท่าเบสิกอยู่ท่าเดียว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 มีคนโบราณนะฝึกลูกฝึกหลานฝึกขนาดนี้นะฝึอดทนนะต้องรอได้ใจต้องถึงถึงนะการภาวนาต้องถึงหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เหลียก่ันท่านมรณภาพไม่กี่วันนะไม่นานท่า น, นอนอยู่บนเตียงแบบเตียงโรงพยาบาลไนะขได้ตาแปลวแปวเข้าไปถึงนะท่าน กลาบท่านนะท่านต้อสอนธรรมะนะต้องอดทนนะดูสิพุทธเจ้าสอนต้องอดทนนะต้องสู้นะต้องต่อสู้จะข้ามพ่อข้ามชาติไม่ใช่ข้ามง่ายๆต้องสู้ท่านก็เล่าว่าท่านเองสู้มาแสนสาหัสเลยท่านเกิดธรรมาปติที่ท่านต่อสู้มาน้ําตาคลอเลยนะด้วยเกิดธรรมาปติไม่ใช่พระร้องไห้นะ จิตใจท่านคึกคักห้าวหาันนอนจนลุกไม่ขึ้นแล้วนะยังสอนลูกหลานต้องสู้ตายนะต้องสู้นะต้องสู้หลวงปู่เขสู้ตายมาตลอดนะสอนอย่างนี้ดูครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองสู้ตายทั้งนั้นหลวงพ่อยังไม่เคยเจอนะประเภทตื่นมาไปฉันข้าวแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ไปแล้วนะยังไม่เคยได้ยินเลยนะ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 ส่วนพวกที่ภาวนาไม่เป็นอย่าเพิ่องอดทนนะมาเรียนให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวมันทนต้องใช้คำไม่สุภาพบอกตะบี้ตะบานไปทำอะไรก็ไม่รู้นะมันหลงทางไปไกลแต่ถ้าฝึกจนกระทั ง, งสติเราเกิดแล้วรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจได้อย่างแม่ชีทำอะไรแม่ชีถลำลงไปนึกออกไหมใจมันหลงไปนะให้เรารู้สึกขึ้นมาเรารู้สึกได้แล้วต้องอดทนแล้วตอทนทนดู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 รวมทั้งธรรมารมที่เนื่องด้วยกายหรือธรรมารมที่เนื่องด้วยกามเรียกว่ากามมาธรรมนั้นจะไม่ยึดในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและกามมาธรรมคือกามในใจก็กามมาธรรมพอไม่ยึดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นปรากฏอยู่หรือหายไปยจิตจะไม่ยินดียินร้ายกามและปฏิฆาก็ไม่มี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 หายใจแล้วถอนใจทีหนึง่งจะได้มีความสุขวันใดเห็นจิตนี้เป็นตัวทุกข์สลัดออกมันสลัดออกภาษาบาลีเรียกว่าปฏินิสัคคะปฏินิสัคคะสลัดออกไปวางอนารยะอนา ล, ายนาลายโยไม่ยึดถือมันนะวิมุตตวิมุตโตหลุดพ้นหลุดจากสิ่งห่อหุ้มหรืออาสวะนะไม่ยึดถือในรูปในนาม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 เราหัดเบื้องต้นเรายังเห็นปฏิจจสมุมปบาทตลอดสายไม่ได้นะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุมปบาทผู้นั้นเห็นธรรมคือพระโสดาบันเป็นขั้นต้นโสดาบันจะเห็นปฏิจจสมุมปบาทแต่ว่าไม่ซาบซึ้งเท่าไหร่หรอกจะรู้สึกปฏิจจสมุปบาทนี้เข้าใจง่า ย, ายเห็นแล้วนะผู้ทูชนรู้สึกปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งยากเย็นเหลือเกินพระโสดาบันรู้สึกว่าเออไม่ยากอะไร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 ท้งนี้มีภูเขาเนี่ยวัดนี้มีภูเขาล้อมนะอยู่ในภูเขาภูเขาเยอะแยะนี้ไม่มีน้ําหนักเลยถ้าเราไม่ไปแบกมันไว้นะขันห้าที่ว่าหนักนาสาหัสเนะี่ยไม่มีน้ําหนักถ้าเราไม่ไปแบกไว้แต่เราแบกบตื่นเช้าขึ้นมานักปฏิบัติชั้นเลิศจะต้องหยิบเฉวยจิตขึ้นมาเอาไว้ดูก่อนหยิบได้นะแต่วางไม่เป็นวางไม่ได้หรอกแล้วก็จะหนักหนักอกหนักใจอ ย, อยู่อย่างนั้นนัก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 ถ้าพระอาริยะชั้นอื่นๆนะทั้งออกนอกทั้งวันไหวนะ <c oughs> ั้นเราภาวนานะใจมันจะค่อยโปรง่งโล่งเบาไปเรื่อยนะภาระเครื่องพรุงผารังถ้านะถูกปลดออกทีละชิ้นสองชิ้นนะทีแรกมีภาระหนักนะภาระมากจิตใจถูกกดท่วงหนักหน่วงแสนสาหัสมากมายหัดรู้หัดดูค่อยๆปลดออกทีละน้อยทีละน้อยนะ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 พวกทำสมถะนะถอดจิตออกไปสวรรค์ไปดูเทวดานางฟ้าดูปราสาตราชวังเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กระท่อมอย่างเดิมไปเห็นสมบัติชาวบ้านเขาไม่ใช่สมบัติของเราเองเราต้องภาคเพียนทําสมบัติของเราเองขึ้นมาด้วยการรู้กายรู้ใจลงมานี้แหละสักฟอกมันเข้าไปมันติดมันข้องอะไรนะก็อคอยดูไปบางทีก็ใช้สติ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 เนคขัมมะบารมีทั้งหลายนั่นแหละคืออาวุธของเราแหละนี่สร้างบารมีมากเข้ามากเข้านะั่นคืออาวุธรอบตัวอะไรแถวนี้หยิบอะไรขึ้นมาก็ใช้ได้หมดเลยหลวงพ่อเคยเรียนกฎหมายนะบอกว่าเราไปกัดคนเนี่ยนะได้รับบาดเจ็บเนี่ยถือว่าไม่ได้ใช้อาวุธถ้าเราใส่ฟันปลอมไปกัดเขานะั้นถือว่าใช้อาวุธเนมะื่อก่นมีการเรียนอย่างนี้ด้วยนะบอกงั้นถ้าใคร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 จีตตื่นขึ้นมาแล้วคนที่กำลังสงสัยว่าตื่นหรื อ, อยังไม่ตื่นให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่สงสัยกันตั้งเจ็ดแปดคนพร้อมๆกัน <c oughs> รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันความทุกข์เข้ามาไม่ได้รู้สึกไปหนูนาอย่าทำเ อ, อ๋ทำเ อ, อ๋อยู่ พาหลานมาเออว่าไงส่งกันบ้านเลยเอาไม้ไปไปอยู่เมืองนอกหลายปีขับ<า>เพิ่งกลับมาครับกลับแล้วต้เรียนจบแล้วด้วเรียนจบแล้วฮะก็รู้สึกว่าพอตอนกลับมานี่อาอารมณ์ค่อนข้าง เ, าเป็นคนโกรธง่ายฮะกลับมารู้สึกว่าใจหวาดุ่นทั้งสังคมเมืองด้วย ก็อยู่ที่ใจเรานะใจเราถ้าอบรมให้ดีแล้วเราอยู่ที่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่ในบ้านก็มีความสุขนะอยู่ในป่าก็มีความสุขแต่มันสัพเพย่าสำหรับเราเองนะคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าใจเราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่แวดล้อมอยู่นะอยู่ตรงไหนก็สัพเยาหมดเลยงั้นเราต้องค่อยๆพัฒนาใจของเราอย่าไปเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม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 เขาเพลงเขาบอกอะไรนะนี่คือปณิธานที่หานมุข น, นี่คือปัญญามีปัญญาเข้าใจนะสบายเราชอบน้อยใจโชคกะตาชอบโทษคนอื่นน่ะไม่รู้จะโทษใครก็โทษโชคชะตามันไม่เฉียงนี่แคนะ่มีคนคนหนึ่งอยู่หนองปลาพงเราช่วยหลพ่ชาสร้างวัดช่วยดูแลอะไรทุกอย่างเลยนะ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 โอ้น่าสนใจนะนี่น่สนใจอันี้ใจเต้นตุบๆนะดูอยู่นั่นแหละแล้วท่านก็พูดไปเรื่อยๆนะโอ้ตื่นเต้นลายมือไม่เหมือนคนอื่นนะเนเอาละฟังคําทายนะชีวิตของคุณต่อไปนี่นะไม่แน่นอนอนะันี่เลยฉลาดเลยนะฉลาดเลยเห็นไหมท่านทายไม่ผิดท่านบอกท่านไม่มีวันทายผิดเลย ใครมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าชีวิตไม่แน่นอนเอาอย่างท่านน่ะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเพราะงั้นต้องเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมก็จะสร้างต้นทุนของเราขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นในใจเรานะเราต้องมีต้นทุนของเราไว้นื่มีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในของเรานี่มีศรัทธามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญามีจักคะมีสุตตะ สุดตาคือรู้จักฟังได้ยินได้ฟังธรรมะนี่เป็นต้นทุนอันหนึ่งนะเพราะงั้นที่อุตส่าห์นั่งรถมาฟังธรรมะนี่ก็คือมาสร้างต้นทุนอันหนึ่งนะซึมแล้วใจหนีไปทราบไหมอย่าบังคับนะอยู่บ้านเป็นอย่างนี้แห ม, เ, หมเอ อ, อยังดียังเป็นไตรลักษณนะ์ตามอย่างนี้ใช้ได้เบอร์ห้าดีลนะภาวนาตื่นขึ้นมาได้เต็มที่ล้ดีแล เรียนจากหลวงข้อนานเท่าไหรเนี่ยกี่ปีปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งทําได้อย่างนี้เก่งแล้วเ้าใครมีอะไรเชิญพี่วัยมีอะไรไหมส่งกันบ้านเลยเย็นๆไม่ได้มาเมื่อวานก็ไม่ได้มาตอนเย็นก็ฟุ้งค่ะฟุ้งแล้วก็ซึมสลับไปสลับมาอย่าไปเกลียดมันยแต่ก็อย่าไปรักมัน อย่นี้ดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยตงเฉยเก็ต้องอย่าให้ซึมด้วยถ้าเฉยแบบอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ทราบว่าถึงเออเอย่างนี้ไม่ได้จิตถึงฐานหรือว่ายังไม่ถึงดีขาดอยู่นิดหนึ่งแต่อย่าดึงนะถ้าดึงแล้วจะตึงเกินไปละแค่รู้แค่ามาอยู่วัดนี้จะตึงนิดหน่อยอ่ตึงนิดหน่อยเพาะจะขยันอะไรอย่างเงี้ยจะตึงอ่ะส่งต่อไปเลยใครไม่เอาก็ส่งต่อไป อนี้ดิฉันเป็นผู้มาใหม่ค่ะก็อ่านหนังสือของท่านแล้วก็ปฏิบัติมาหลายปีแต่ว่าไม่ทราบว่าคําถูกคําผิดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มาค้นพบว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาค่ะก็พยายามทําอยู่แต่ไม่ทราบว่าทําถูกต้องไหมถ้าสงสัยนะก็รู้ว่าสงสัยไปค่ะถ้ามันพอดีเลย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 ค่ะลูกชายเนี่ยคือบ้านดิฉันจะมีโรคกรรมทางกรรมพันธุ์คือเราจะคันคันเราจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายและโรคเนี้ยเกิดจากความเครียดตัวดิฉันเองก็เป็นคนเครียดคุณพ่อเครียดคุณพ่อนี่เป็นมาก่อนทีนี้พอมาถึงลูกในลูกก็เป็นตอนนี้ลูกค่อนข้างเป็นเยอะเพราะว่าคนเนี้ยพอดีเขาก็มาเป็นกำลังเป็นวัยรุ่นน่ยนะคะก็จะมักโกรธจะเป็นคนขี้โกรธแต่ว่าธรรมดานะหลวงพ่อตอนเป็นวัยรุ่นก็ขี้โมโห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 เราคอยรู้ทันเนี่ยใจเราแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจเราหนีไปคิดแว บ, บนะล้วก็คอยรู้ทั น, นใจเราจะเป็นสุขใจเราจะเป็นทุกข์ใจเราเป็นไงเราคอยรู้บ่อยๆเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังบ่อยๆนะอดทนนิดนึงเชื่อหลวงพ่อสิถ้ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยทุกวันนี้เราลงทุนให้กับชีวิตต้งเยอะแยะนะไปเรียนหนังสือนี่ลงทุนตั้งนานนะใช้เงินตั้งเยอะนะใช้เวลามหาศาลเลย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 ใจใจมจะวับแวบวบะเพราะว่ามีลูกสองคนก็อยู่ในระหว่างห่วงทั้งสองคนค่ะก็มีลูกก็ต้องมีห่วงนะเพราะลูกคือราหุนะแต่ว่าห่วงค่ะค่ะงั้นนสำระสกายนะอคุณวิชาคุณปิยรนาฏก็ได้มีอะไรพูดเลยเดี๋ยวหลวงพ่อต้องคุยกับพระก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าสมองทำงานเนี่ย แต่เดิมเนี่ยเวลาเราเราเห็นสภาวะตั้งแต่เริ่มแรกที่ฝึกหลงพ่อเนี่ยเห็นอารมณ์ที่เข้ากระทบพอต่อไปก็เป็น เ, เป็นความอยากแล้วก็เกาะเป็นช่วงๆอะคะ่ะแต่แต่ระหว่างก็จะจ ะ, จะเห็นสลับสลับกันไปแต่ก็จะมีเป็นช่วงๆที่เห็นความอยากแล้วก็เห็นเห็นมานะตัว<ม>เองหลังสุดก็เห็นความปรุงแต่ง<ม>จนสุดท้ายนี่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 ยังไงมันก็ไม่ยอมหยุดคิดมันคิดได้ต่อเนื่องมากๆเลยอะค่ะแล้วก็วิธีการอะไรอย่างที่บอกว่าเครื่องหยุดก็เคยเรียนมาแล้วลืมไปทาสมถาธิค่ะพอดึงพอๆก็คือบอกเองว่าทํำยังไงถึงจะให้มันหยุดทํางานก็เอาเอากลับเข้ามาด้วยวิธีสมถะพอเอากลับมาสมถะมันก็จะปวดหัวเริ่มเริ่มมีมีปวดหัวก็รู้ว่าใช้ไม่ได้ไม่ไม่สมถะต้องทําให้สบายเคล็ดลับของการทําสมถะต้องสบายนะ เมื่อไรสบายแล้วใจจะสงบอย่างรวดเร็วออในอย่างถ้าคุณปียานาศเริ่มด้วยอยากสงบแล้วก็จงใจดึงเนี่ยจิตใจไม่สบาย ก, ก็ก็เลยก็เลยเอาปล่อยทิ้ง<ม>ปล่อยทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ว่ามาอยู่กับปัจจุบัน<ม>พออยู่ปัจจุบันก็ว่างก็ว่างแล้วเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็กลับไปก็ทำงานต่อตัวนี้ก็ทางานต่อ<ม>ก็ก็ก็กลับ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 เหมือนไฟฟ้าสปาร์คตลอดเวลาวันนี้ก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเราจิตใจเป็นกังวลมีงานจะต้องคิดต้องทํามันก็ทํำของมันช่วครัง้งช่วคราวยิงไม่เป็นไรเขาไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นมันแต่ว่าวันนั้นมันเหมือ น, นคลื่นไฟฟ้าทำงานยี่ยักยักยี่ยั ก, ย ก, ยกอยกแต่แต่สิ่งที่มันมันออกมาดีมากเลยนะคะ <c oughs> ที่มันนําเสนอออกมา <c oughs> ดีมากๆเลยะคะ่ะ <c oughs> ไม่ทราบว่าเวลาเวลามัน คำตอบหรือวิธีการที่มันนำเสนอ ม, มาตอนนั้นนั่นใช้ได้หรือเปล่าคะหรือว่อาอ้าวต้องไปใช้เหตุใช้ผลพิจารณาเอาสิไปเชื่ออะไรกัน <c oughs> ต่อตาไปกาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าได้รู้ทุกเยอะเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าเนี่ย ย, ยังรู้สึกว่ามันทุกเพราะว่าเราไม่ยอมวางแล้วก็มันไม่ยอมวางหรอก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 เวลาเราภาวนาบางช่วงก็ได้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆนะ <c oughs> มีความสุขมีความสงบแล้วก็ถ้าเป็นพวกปัญญากล้าเนี่ยไม่ไม่พักนานเดี๋ยวก็หาเรื่องอีกนะต้องคุนกวาอีกค่ะ <c oughs> ธรรมดาดีละ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่ทำอยู่ใช้ได้ละค่ะก็ดีใจว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกอะลงทุนนี่คุ้มค่าจริงๆลงทุนแล้วคุ้มค่านะ <c oughs> เราได้ได้ใช้ประโยชน์มีอาวุธเอาไว้ต่อสู้ เพื่อี่สิบเจ็ดนี่ข้างหน้าข้างหน้าก็ระหว่างนมัสการหลวงพ่อจะ้ะระหว่างที่นั่งก็ช่วง แ, วแรกแรก็จะเพ่งมากเลยค่ะหลวงพ่อก็เหมือนเกร็งแต่ก็จะเห็นว่ามันค่อยๆบางทีมันก็คลายแต่มันไม่ได้คลายแบบดับไปเลย อ, ะอ่ะ ม, มันก็เห็นมันคลายตัวแล้วบางทีมันก็เข้ามาอีกมันเหมือนไปจงใจตอนไหนก็ไม่ทราบพระเจ้าค่ะหลว ง, งพ่อแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มจงใจอีกแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆจ้ะค่ะหลวงพ่อ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 พอไปเรื่อยๆพอดีคุยกับปอเขาบอกเ อ, อถ้าเรารู้ว่าเราวอกแวกเราก็รู้ตัวซะออก็ดีขึ้นเมื่อวานรู้สึกดีขึ้นว่าทําได้ดีแล้วเนี่ยิดใช้ได้ช่วยส่งไปข้างหลังเนละคือเวลาตามรู้เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างอารมณ์ที่ค่อนข้างแรงกับอารมณ์ทั่วๆไปครับถ้าเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างแรงเนี่ยพอเกิดรู้สึกตัวขึ้นมามันจะมีความสงบสุขเวทนาชัดครับ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 กําลังสงสัยอยู่ในปัจจุบันแล้วดูดีแล้วที่ภาวนาอะคุณวิชาหน่อยคนสุดท้ายก็สองสามวันนี้จะมีทุกจรเข้ามาเยอะทําให้กังวลเสร็จแล้วเมื่อสักครู่ก็ได้คําตอบคือเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันพอดีกับเหตุของเขาแล้วมันยุติธรรมแล้วละครับมันยุติธรรมสําหรับเหตุของเขาอยู่แล้วครับดีแล้ว ได้แค่นี้นะวันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อขอเปกยบร้าน